ติฆาบทที่7ว่าด้วยการปลาดโดยไม่บอกเรื่องภิกษุนีหลายรูป864สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอรารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิกษุนีหลายรูปเดินทางไปกรุงสาวัตถีแควนโกสนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวลาเย็นเข้าไปสู่ตะกูลพราหมณ์ สกูลหนึ่งข อ, งอโอกาสลำดับนั้นพระมณีได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าท้องหลายโปรดรอจนกว่าพระมจะมาพวกภิกษุณีกล่าวว่าพวกเราจะรอจนกว่าพระมจะมาได้ปูที่นอนบางพวกนั่งบางพวกนอนครั้นในตอนกลางคืนพระมกลับมาพบเห็นได้กล่าวกับพระมณีดังนี้ว่าสตรีเหล่านี้เป็นใคร พระมณีกล่าวว่าพ่อเจ้าสตรีเหล่านี้เป็นภิกษุณีพระามกล่าวว่าพวกท่านจงขับไล่หญิงชั่วหัวโล้นพวกนี้ออกไปแล้วให้ขับไล่ออกจากเรือนรันภิกษุณีเหล่านั้นไปถึงกรุงสาวัตถีเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนํมิตรประนามโผลนธนาว่าจะในพวกภิกษุณีจึงเข้าพิสืบตระกูลในเวลาวิการ ปูหรือใช้ให้ปูที่นอนโดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งบ้างนอนบ้างเล่าคังแล้วพิกษณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ